สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีระบบ FM s t อ r มสเตอร์เรโอิเพความถี่ 89.5 เม z ทรส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่214 216ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีพร้อมเสียสละจิตอาสารอภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทน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 ลังนำพาสื่ความ จิตอาสาเราพาภูมิใจ พาสื่ความสุขใจ ครับ คุณผู้ฟังกลับมาพบกับผมนัทพลดีอุดอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันศุกร์แบบนี้กับรายการสุขอาสานะครับทางวิทยุราชมงคลทัญบุรีเ m 89.5 เมกะเฮิร์แห่งนี้นะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับงานอาสานะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับอาสานะครับเราจะมาชวนคุณผู้ฟังนะครับสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆนะฮะรวมถึงไปร่วมกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับงานอาสาคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นในช่วงแรกกับคิดอาสากับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่จะนํามาฝากคุณผู้ฟังนะ เริ่มต้นกันที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลําน้ําคูคลองขับเคลื่อนโครงการออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่หน่วยบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะครับโดยนายอภิณสุวรรณโคผู้รักษาราชการแทนในอำเภอเชียงคานเป็นประธานพิธีเปิดโครงการออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่หน่วยบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนะครับโดยมีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆอำนวยความสะดวกออกมาให้บริการแก่ประชา ชนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเพื่อให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาจำนวนสองทุนด้วยกันนะครับและมอบพันปลาให้กับ ผู้นำหมู่บ้านเพื่อนําไปปล่อยในแหล่งน้ําสาธารณะหรือนําไปเลี้ยงและขยายพันธุ์ต่อไปณนโะรงเรียนบ้านคกหมาดตาบลเชียงคานอําเภอเชียงคานจงังหวัดเลยนะครับต่อจากนั้นนายอภินันสุวรรณโคผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงคานพร้อมด้วยส่วนราชการนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตมบุเชียงคานบุคลากรองค์การบริหารส่วนตมบุเชียงคานกํำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาตมบลเชียงคานก็ได้รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลําน้ําผูคลองสาธารณะ ณนะบริเวณลำห้วยสารเจ้าปู่บ้านคกมาตาบลเชียงคานอะาเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับต่อกันด้วยเรื่องราวของประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองจังหวัดบึงการในการร่วมกันสร้างฝายกักเก็บน้ำนะครับเตรียมพร้อมรับมือหน้าแรงที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับที่ลำห้วยกันย่า บ้านท่าใครตําบลบึงการอําเภอเมืองจังหวัดบึงการนะครับในอําเภอเมืองบึงการส่วนราชการกํานันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาก็ได้ร่วมกันทํากิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจก่อสร้างฝายกักเก็บน้ําในลําห้วยกันย่านะครับก่อนที่น้ําจะไหลลงสู่แม่น้ําโขงเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในภาคการเกษตรในช่วงของฤดูแล้งที่กําลังจะมาถึงนะครับโดยตัวฝายกักเก็บน้ําเองมีความกว้างประมาณ3เมตรยาว10เมตรสูง1นึเมตรยีนะครับ ใช้สายประมาณ15ลูกบาทเมตรนะครับและใช้กระสอบประมาณ800กระสอบซึ่งได้มาจากการร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ทำให้มีการก่อสร้างฝายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับด้วยจากข้อมูลของปีที่ผ่านมาเองจังหวัดบึงกาฬนะครับคุณผู้ฟังมีปริมาณฝนตกสะสมถึง 3,700 ม mm ิลลิเมตรซึ่งมากที่สุดในประเทศไทยแต่ในปีนี้มีปริมาณฝนตกสะสมเพียง 1,900 ม mm เมเท่านั้นนะครับส่งผลให้ปริมาณน้าในแหล่งน้าที่กักเก็บ ะะหลายแห่งมีน้อยนะฮะทางจังหวัดเองจึงได้เร่งสั่งการทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาภัยแรงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งการสร้างฝายกักเก็บน้ำ นี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาต <c oughs> รการที่ทางจังหวัดบึงการเองได้ดําเนินการแล้วในหลายพื้นที่หลายอําเภอของจังหวัดนะครับต่อกันที่จังหวัดยโสธรครับคุณผู้ฟังที่สํานักงานปศุสัตว์ยโสธร น, นะฮะในการออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ผู้ประสบอุทกภัยตํบนาบลนาแกอําเภอเขื่อนคําแก้วนะครับโดยในปัญญามูลคํากาจเจริญปศุสัตว์จังหวัดยโสธรเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่29ตุลาคม2อง2ที่ผ่านมาสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรก็ได้จัดหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงของเดือนกันยายน2562ที่ผ่านมาโดยมอบหมายให้ทางกลุ่มยุทธศาสตร์นะครับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนัก ง, งานปศุสัสตว์อำเภอ เหลืองนกทานะครับจัดหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลผู้ประสบภัยร่วมสมทบกับโครงการพมห่วงใยเยี่ยมยามถามไถ่ใส่ใจคนพิการที่ประสบภัยที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแกอําเภอเขื่อนคําแก้วจังหวัดยะูสทอนะครับด้วยหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่นี้นะครับคุณผู้ฟังได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ แมวจำนวน64ตัวผ่าตัดถรหมันสุนัขและแมวจำนวน21ตัวกำจัดพยาธิโคและกระบือจำนวน56ตัวมอบวิชัณฑ์สำหรับสัตว์ ให้กเกษตรกรจำนวน45ชุดนะครับพร้อมกับให้คําแนะนําดูแลฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงของกเกษตรกรจํานวน68รายซึ่งจะช่วยให้สัตว์เลี้ยงของกเกษตรกรมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้นนะฮะในวันเดียวกันเองทางกลุ่มยุทธศาสาตร์และสารสนเศสำนัก ง, งานปศุสัตว์จังหวัดยะโสธรก็ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของกเกษตรกรที่ร่วมดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมนะครับเพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่บ้านกุดเชียงหมีหมู่ที่6ตําบลกุดเชียงหมีอําเภอเรือง จังหวัดยะโสธร อ, อีกด้วยนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับโดยนายพงศกรสิริธรรมผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะครับนำจิตอาสาพ ร, า ร, ระราชาทาน904วปรรมปรับปรุงพุทธทัศ จัดเก็บขยะวัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้และพัฒนาคลองน้ําตาลนะครับในซอยจรรย์นสนิทวงสามสเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะฮะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า100คนประกอบไปด้วยจิตอาสาเจ้าหน้าที่ทหารจากฐานทัพเรือกรุงเทพเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจนครบาลบางยี่ขันเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจบางขุนนนท์นะครับเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจบางกอกน้อยรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสุขสา วัดเจ้าอามนะครับและเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางขุณนนนท์รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหลายๆหน่วยงานในกรุงเทพมหานครในการช่วยกันพัฒนาทําความสะอาดนะครับปรับปรุงที่ของน้ําตาลนะครับปิดท้ายนะฮะกับกิจกรรมดีๆนะครับจากเทศบาลเมืองบางริ้นจังหวัดระนองในการจัดกิจกรรมชุมชนร่วมใจลักคลองและสิ่งแวดล้อมในการปรับปรุงภูมิทัศน์รวมถึงเก็บขยะริมตริ่งในคลองนะครับโดยสนับสนุนโครงการร่วมมือร่วมใจสู้ภัยขยะทะเลเพื่อทะเลอาเซียนสะอาดและ ครั้งที่3นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่28ตุลาคมสองพที่ผ่านมาครับกองสาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะพื้นที่ใกล้เคียงองค์กรภาครัฐเอกชนรวมถึงจิตอาสาพระราชทาน904วรป ร, รอและประชาชนนะครับในการร่วมจัดกิจกรรมชุมชนร่วมใจรักกรำคลองและสิ่งแวดล้อมปรับ ปุงภูมิทัศน์เก็บขยะริมตลิ่งและในลําคลองนะครับสำหรับสนับสนุนโครงการร่วมมือร่วมใจสู้ภัยขยะทะเลเพื่อทะเลอาเซียนสะอาดและสมบูรณ์ครั้งที่3โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมณบริเวณซอยมิตรภาพ2สองตม บ, บางรินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะในทะเลด้วยการลดการสร้างขยะและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันขยะบนชายฝั่งไม่ให้ไหลลงสู่ลําคลองเพื่ อ, อออกสู่ทะเลนะครับทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเองได้กล่าวนะครับว่าการ กำจัดขยะสามารถเริ่มต้นตั้งแต่ในครอบครัวเช่นการทำบ่อรองรับเศษอาหารซึ่งเป็นขยะเปียกภายในบ้านปิดปากท่อให้มิดชิดนะคะเศษอาหารเหล่านั้นก็จะกลายเป็นปุ๋ยชีวภาพให้กับต้นไม้ดอกไม้ภายในบ้านก็จะช่วยลดขยะที่ต้องนำไปทิ้ง ฝากให้ทุกคนนะครับช่วยกันนะครับตั้งแต่ในครัวเรือนด้วยภายในกิจกรรมนี้มีการเก็บขยะริมตะลิงริมแม่น้ำลำคลองอบริเวณหาดส้มแป้นพื้นที่เทศบาลตําบลบางริ้นบริเวณคลองดานและบริเวณพื้นที่ป่าชัยเลนนะครับรวมถึงบริเวณปากน้ําและนําขยะที่จัดเก็บมาคัดแยกเพื่อนําไปกําจัด น, ะะนอกจากนี้มีการทําความสะอาดนะฮะรางระบายน้ําที่จะลงสู่คลองเพื่อป้องกันขยะบนฝั่งไม่ให้ลงออกสู่ทะเลอีกด้วยนะครับคุณฝั่งครับกิจกรรมต่างๆทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนจิตอาสาต่างๆร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการฟื้นฟูสังคมนะฮะให้หน่าอยู่รวมถึงเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นนะครับถือว่าทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่น่ายกย่องเชิดชูนะฮะ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 กลับมากับช่วงนี้ครับกับช่วงคนอาสาครับวันนี้คนอาสานําเรื่องราวของอาชีวะสร้างสารรค์น้ําใจนักศึกษาอาชีวะนะครับจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจช่วยนําท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีมาฝากคุณฟังในช่วงคนอาสานะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าสถานการณ์น้าท่วมหนักเป็นประวัติการในจังหวัดอุบลราชธานีจากพายุโซนร้อนคาจิกิจะค่อยๆ ค, ค, คลี่คลายลงนะครับแต่เนื่องจากผลกระทบค่อนข้างหนักหนาเลยทีเดียวนะครับทางอาคารบ้านเรือนของประชาชนและสถานศึกษาจำนว มากได้รับความเสียหายนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยสํานัก ง, งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชนซ่อมสร้างล้างใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภ, ภัยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยจัดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน Fi กอิดเซ็นเตั้งแต่วันที่4ตุลาคม25งพันที่ผ่านมาไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจโดยออกหน่วยให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหลังน้ําลดนะครับการลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ ทางอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีสถานศึกษากว่า60แห่งและมีนักเรียนนักศึกษาในสาขาต่างๆกว่า600คนออกให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องล้างเบครคคลัตซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเครื่องซักผ้าโทรทัศน์เครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับรวมถึงซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและสถานศึกษามีครัวอาชีวศึกษาทําเข้ากล่องแจ ก, กประชาชนในพื้นที่และมีลูกเสือวิสามันให้คําแนะนําการ ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านจากไขควงวัดไฟฟ้านะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดหน่วยฟิกอิดเซนเตอร์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไม่ได้มีจุดให้บริการกว่า60 จุดทั่วจังหวัดนะครับได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เ, เองภาคเอกชนเองรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่มาสนับสนุนเรือยาง8ปดลำฉีดน้ำแรงดันสูงเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับรวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากว่า 200,000 บาทนะครับเสื้อสำหรับผู้ปฏิบัติงาน600ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม อาคารที่อยู่อาศัยอุปกรณ์ทําความสะอาดไขควงรองไฟกว่า600ตัวเลยทีเดียวนะครับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์10ชุดน้ำมันเครื่องสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และปฏิบัติการซ่อมแซมโดยนักศึกษาอาชีวศึกษาจาก61วิทยาลัยนะครับด้านในนิยมสแสวงบงนะครับผู้มนิการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในฐานะประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวนะครับว่ามีสถานศึกษาอาชีวะของรัฐ9้าแห่งในจังหวัดและยังดูแลสถานศึกษาอาชีว ะ, อวะเอกช อีก20แห่งโดยสารศึกษาอาชีวะทั้งหมดร่วมกับเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนเข้าไปช่วยขนย้ายเข้าของตั้งศูนย์และค่ายพักพิงในการ ซ่อมแสมอุปกรณ์ต่าง ๆ, างๆทั้งเครื่องชาไฟฟ้ายานพาหนะรวมถึงแจกถุงยางชีพในจุดที่เข้าไม่ถึงนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนะครับนอกจากนี้ยังประสานไปยังพื้นที่พี่น้องศึกษาอาชีวะในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก20จังหวัดมาช่วยกิจกรรมซ่อมสร้างล้างใหม่หลังที่นำรถตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับรวมถึงสารศึกษาจากกรุงเทพฯพระนะครจากทางภาคเหนือเองภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกเกือบ80แห่งเลยทีเดียวนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันกับพาร กิจหลักๆนั่นก็คือ 1. ล้างทําความสะอาดล้างอาคารบ้านเรือน2ซ่อมแซมบ้านอาคารยานพาหนะรถยนต์ปั๊มน้ําเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอย่างเช่นตู้เย็นพัดลมทีวีนะครับรวมถึงระบบไฟฟ้าในอาคารรถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนะครับซึ่งณ ว, วันนี้ถือว่าการช่วยเหลือคือบหน้าไปกว่า 90% เลยทีเดียวนะครับหรือเกือบร้อยแล้วเหลือพีย อย่างชุมชนบางแห่งที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงจริงๆแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะทําให้หน่วยงานอาชีวะเนี่ยเข้าไปถึงทุกจุดนะครับโดยใครสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลการให้บริการกับอาชีวะอาสาฟิกอิดเซ็นเตอร์นี้ได้ที่สํานักงานอาชีวะศึกษาจงังหวัดอุบลราชธานีวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีนะครับหมายเลขโทรศัพท์0ูนย5สี่ห้านี่ะครับนี่คือ1กิจกรรมนะฮะจากอาชีวะฟิกอิดเซ็นเตอร์นะครับที่ ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอย่างที่ได้บอกไปครับคุณผู้ฟังว่าถึงว่าวิกฤตการน้าท่วมในครั้งนี้จะผ่านได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าน้ำใจจากพี่น้องคนไทยก็ยังหลั่งไหลเข้าไปช่วยในการ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมแซมบ้านเรือนต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากน้าท่วมนะครับซึ่งณปัจจุบันอย่างที่ได้บอกไปว่าคืบหน้าไปถึง 90%- ้าสรถึงร้อเลยทีเดียวนะฮะเหลือเพียงแค่ชุมชนที่ห่างไกลจริงๆนะฮะที่กําลังจะซ่อมแซมลงมถึงฟื้นฟูอุปกรณ์ต่างๆให้กลับมาใช้งานได้ 100% ในเร็ววันที่สุดนะครับถือว่าเป็นอีกหน่วยงานที่น่าชื่นชมกับหน่วยงานของอาชวศึกษาที่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในจงังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ฟังคร มาติดตามกันกับเรื่องราวของภารกิจจิตอาสานะครับวันนี้ภารกิจจิตอาสาผมมีเรื่องราวของการเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับไปสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานวปร904มาฝากกันนะครับติดตามได้ในช่วงหน้าครับศูนย์นวัตรกรรมความรู้ r m u t t Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 รัฐบาลขอเชิญพระสงนิกรชาวไทยร่วมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมาร์เนื่องในพระราชพิธีบ ร, รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ชมองค์ความรู้พระราชพิธีบ ร, รม ร, ราชาพิเศษผ่านจอ LED ห้องสมุดอิเ e ล็กทรอนิกส์อีบุ๊ภาษาไทยอังกฤษและอักษรเบลสําหรับผู้พิการทางสายตาตระการตากับแสงสีเสียงและสื่อผสมส า, ม, สา ม, มิติเสมือนจริงโดยศิลปินนักสแสดงชื่อดังและขบวนเรือพยุหย า, าตราทางชลมาร์ด้วย เรือพระราชพิธีจำลอง52ลำประกอบการเหเรือเฉลิมพระเกียรติและองค์ความรู้ขบวนพายุหายาตราทางชลมาศจากอดีตสู่ปัจจุบันชมเรือพระทินั่งจำลอง4ลำพร้อมสาธิตการเหเรือขวนและครนอกและครในและการแสดงจากพระสงฆ์นิกรทุกภูมิภาคมาน้ำประกอบแสงสีเสียงและสุดยอดอาหารไทยเลิศรถ25ตุลาคมถึง11พฤศจิกายน2562 10นาิกาถึง22นาฬกาณบริเวณท้องสนามหลวงสอบถามเพิ่มเติม1765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 กลับมากับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้กับภารกิจจิตอาสานะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ภารกิจจิตอาสานะครับมาเชิญชวนคุณผู้ฟังในเขตของกรุงเทพมหานครนะครับไปร่วมสมัครจิตอาสา904วปรรนะครับโดยนายวรสเตดวิสารศักด์นะครับผู้อำนวยการเขตประเวทนะครับกล่าวนะครับว่าทางเขตประเวทเองขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจนะครับร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก จิตอาสาพระาชทาน904วปรโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับหนึ่งก็คือต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสา พระเจาฐาน904วปรรมก่อนและต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับสบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมีเลขประชาชน13หลัก3ผู้สมัครนะฮะสามารถลงทะเบียนได้ทุกเขตและทุกอําเภอที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่จําเป็นต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตหรืออําเภอนั้นๆ น, น, นะครับโดยผู้ที่สนใจสมัครก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายน2562ตั้งแต่ เวลา8นาฬกาถึง16นาฬิกานะครับในวันและเวลาราชการณศูนย์ BFC ฝ่ายทะเบียนชั้นหนึ่งสำนักงานเขตรประเวทนะครับหรือว่าที่สำนักงานเขตทุกเขตของกรุงเทพมหานครรวมถึงที่อำเภอทุกอำเภอด้วยนะครับโดยกําหนดพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน904วปรอจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับหรือว่าใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนนะครับโทร02 328 8981ต่อ 63กครับคุณฟังครับและนี่คือเรื่องราวของการรับสมัครจิตอาสา904วปรรนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนำมาเชิญชวนผู้ฟังไปร่วมสมัครเป็นประชาชนจิตอาสาพระราชาทานกันนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 2 8 8 9 8 1ามต่อ6363นะครับ คุณผู้ฟังครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วของรายการสุขอาสานะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับกลับมาพบกันทุกวันสุขแบบนี้นะครับทาง f 89. m 89.5 เมกะเฮิร์นะครับวิทยุราชมงคลธัญบุรีสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ